50 languages. ประเทศและภาษานอร์ดเวอร์ลุมบูรจมาจากลดนจอ h ์นลอนดอนในเรือนที่วอริกิลดนอยู่ในประเทศอังกฤษ ลอนดอนเกรตบริต اني ล์ u l ள a เดลเขาพูดภาษาอังกฤษอวันอังก um, ิลัมเพสกีรอนมาเรียมาจากมาดริดมาริโอมาดริดลลุนตุวาริกีรอลมดริดอยู่ในประเทศสเปนมาดริดสเปนนอติล் உ ள ் ள ดு เธอพูดภาษาสเปนเอาล่สเปนมดีเพสกิโรล์ปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลินปีเตอร์รู้มรทวมเบอร์ลินในเรื่องนี้วรูกิรดารกลเบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมันเบอร์ลินเยอรมันนอติลอุลละเดช คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหมนี้งกัอรรนอยู่บ้าจ g ร r m a n ไมลีเ้พูดเสีรกลนหลอนดอนเป็นเมืองหลวง l o นด o n เป็นเนมืองหลวงม a ด r i และเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวง m a ดริ d มัตุ้ม b e ร l i n นุ๊กูดทั้ลายนกรงก เมืองหลวงใหญ่และเสียงดังทะเลนกรังเกล็เปริยดอากวบุ้มอิริชัลบิกกาดาวบุ้มอุลเลนะประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรป France นอร์ดอียโรพาวิลอุลเดประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกา Egypt น อ, อร์ดแอฟริกาวิลอุลเลด ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียเจแปอนนอเดอออสซียาวิลูร์ลัประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแคนาดาวัดาอเม க ิกาวิลูร ள ลดัดดประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลางปานามา ม ด, ดิยาอเมริกาวิลล์乌鲁ดิสประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้เบรสซ์ล์เทนอเมริกาวิลล์乌鲁ดิกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สําหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด